พอจัันสิงบุรีนะพวกเราคงเคยได้ยินชื่อบางคนก็จะเคยไปวัดของท่านไปปฏิบัติธรรมที่นั่นท่านเคยได่าให้ฟังนะอันนี้เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมาคงจะหลายสิบปีแล้ววันหนึ่งท่านก็มีธุระไปที่สารกลางก็ไปนั่งอยู่หน้าห้องศึกษาที่การจังหวัดสมัยนี้ยังมีตำแหน่งนี้นะศึกษาที่การจังหวัดระหว่างที่นั่ง อยู่หน้าห้องก็มีก็มีตำรวจนะยศพันตำรวจเอกใส่เครื่องแบบเต็นยศเลยนะก็ขึ้นมาที่สารกลางแล้วก็มาหาศึกษาธิการจังหวัดก็พูดกับเสมียน้าห้องนะอย่างเสียงดังฟังชัดเลยนะว่าเรื่องของอัวเสร็จหรือยังนเรื่อง เอาเด็กเข้าโรงเรียนน่ะสมเด็ก็บอกว่ายัางเดินเรื่องอยู่ครับ <c oughs> นายตำรวจก็บอกว่าเนี่ยต้องช่ว ย, ยก็นหน่อยนะเนี่ยเวศเนี่ยผู้กํากับนะต้องช่วยกันหน่อยนะสมเดนก็บอกครับครับครับผมจะช่วยเดินเรื่องให้แต่ว่าตอนนี้ศึกษาธิการจังหวัดก็ยังไม่อยู่ผู้ว่าก็ยังไม่อยู่เพราะฉะนั้นยังเซ็นให้ไม่ได้นะครต้องรออีกสักอาทิตย์นึงนะครับนะ ในตำํำรวจนั้นก็แสดงสีท่าสีหน้าไม่พอใจแต่ว่าก็ทํายังไงได้นะเสร็จแล้วก็เดินออกไปสักพักนี้ก็มีหัวหน้าสารมานะหัวหน้าสารนี่สงสัยจะเพิ่งอลงจากบันลังนะยังแต่งตัวเต็มยศเลยแต่พอมาถึงก็ไหว้สมเด็จก่อนเลยนะสมเดนนี่รับไหว้ไม่ทันเลยนะะ เพราะว่าเพราะว่าสมิทธ์นี่ตำแหน่งนี่ด้อยกว่าต่ำกว่าหัวหน้าศาลเยอะแต่หัวหน้าศาลนี่ก็ไหว้สมิทธ์ก่อนแล้วก็ถามว่าจะมาติดต่อเรื่องเอาเด็กเข้าโรงเรียนนะปรากว่าหัสมิทธ์นี่ก็รีบเดินเรื่องให้เลยนะเอาแฟ้มนี่ไปให้ศึกษาธิการจังหวัดเซ็นแล้วก็ให้ผู้ว่าเซนที่จริงศึกษาธิการจังหวัดนี่อยู่นะ ไม่ได้ไปไหนหรอกนะแต่ว่ากับนายตำรวจคนนั้นนี่สมันก็แก้งเตะถ่วงเตะเรื่องแต่กับหัวน้าสา น, นี่แกก็ช่วยดีนะสมัยนี่ช่วยเหลือดีเดินเรื่องไม่นานก็เสร็จบอกว่าเสร็จแล้วครับหัวน้าสาลก็บอกว่าขอบคุณมากครับนะถ้าหากว่ามีอะไรจะให้ผมรับใช้ก็บอกนะครับนะยินดีช่วยเหลือสมัยฟังแล้วก็คงสะดุ้งนะเพราะว่า นะปกตินี่หัวหน้าศาลหรือว่าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ไม่พูดกับสิเหมนแบบนี้หรอกนะแต่นี่พูดว่าพร้อมจะรับใช้นะเรื่องนี้ก็จบก็ยังไม่จบทีเดียวนะเพราะวันหลายวันต่อมาหลวงพ่อจันันก็ได้พบกับหัวหน้าศาลคนนี้แล้วก็ถามว่าทำไมหัวหน้าศาลนี่ไหว้สมเียนก่อนแล้วก็พูดจาอ่อนน้อมหัวหน้าศาลก็บอกว่ามันคนละหน้าเทียนครับนะ ผมนี่เป็นใหญ่แต่เฉพาะเวลาอยู่บนบัลลังก์ลงจากบัลลังก์แล้วผมก็ประชาชนเต็มขั้นนะไม่มีความหมายแล้วครับนะมันมีความหมายก็ต้องเมื่อได้ขึ้นบัลลังก์ว่าราชการต่างประเทศพักกันหลวงพ่อจันลัก็ประทับใจนะในในคำพูดแล้วก็พฤติกรรมของหัวหน้าศาลคนนี้ก็ท่านก็เลยมาเล่าให้ญาติโยมฟังนะ อันนี้ก็เห็นเป็นความแตกต่างนะระหว่างในตารวจใหญ่นะกระหวัวน่าศาลที่จริงทั้งสองคนก็ใหญ่ทั้งคู่นะแต่คนหนึ่งนี่วางอำนาจนะอีกคนหนึ่งอ่อนน้อมถ่อมตัวและเมื่ออ่อนน้อมถ่อมตัวนี่ก็ได้รับความาร่วมมือเป็นอย่างดีนะจากเสมียนส่วนในตารวจนี่ที่เจ้าจุดเจ้าอย่างนะ ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากสมียนแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนี่สมียนนี่แตะทวงนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะสำหรับคนที่เป็นข้าราชการหรือว่าคนที่เป็นตาแหน่งนะไม่ว่าจะตาแหน่งแบบใดก็ตามนะว่าให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่มันดีเสมอนะมันทาให้คนอื่นยินดีที่จะให้ความร่วมมือด้วยให้ความช่วยเหลือ ความเอา น, น้อนทำตัวนี่ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะบุญในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีสิบประการข้อแรกก็คือทานนะทานนี่เป็นบุญที่คนไทยนิยมทํามากจนกระทั่งไปเข้าใจว่าทําบุญและนะ้วนต้องให้ทานหรือทําบุญทําทานแต่จริงแล้วบุญนี่ยยังทําได้หลายอย่างนะไม่มีเงินก็ทําบุญได้นะใช้ใจล้วนๆเลยนะ เช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เรียกว่าอภิญญาณใหม่บุญที่เกิดจากความอ่อนน้อมถ่อมตนยังมีบุญอย่างอื่นอีกนะเช่นบุญที่เกิดจากความขนขวายในส่วนรวมนะอย่างเช่นมีวันกรรมกรก็ไปช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นพรรษาเล็กพรรษาน้อยพรรษาใหญ่ก็ไปช่วยกันอันนี้ก็เรียกว่าได้ทำวัยวัตจมัยวัยวัจจมัยนี่ก็ เราคงไม่เคยได้ยินแต่ว่าคงคุ้นเคยคำว่าวัยวัจกรวัยวัตจกรที่เป็นค า, ารวะนะแต่วิวัตจมัยนี่พระก็ทําได้นะไม่ถือไม่ไม่ถือแล้ไไวไม่เห็นแต่ตัวคิดถึงแต่ส่วนรวมช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้เรียกว่าก็ได้บุญละเป็นจิตอาสาก็เรียกว่าบําเพ็ญวิวัตจมยัยหรืออย่างเราทําบุญเสร็จแล้วเรากรวดน้ําอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับ อันนี้ก็ได้บุญนะเรียกว่าปฏิทานนําไมเดี๋ยวนี้มีความเข้าใจว่าถ้าเราอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้ใครแล้วบุญที่เรามีจะเหลือน้อยลงมีความคนที่มีความคิดความเชื่อแบบนี้ก็ก็มีนะแล้วก็ทําท่าจะมากขึ้นเพราะว่ามันไปตอบสนองหรือสอดคล้องกับความเข้าใจของคนที่ว่าถ้าเรามีเงินแล้วเราให้เงินใคร เงินเราก็จะเหลือในกระเป๋าน้อยลงแต่ที่จริงแล้วนี่บุญมันไม่ใช่อย่างนั้นนะยิ่งให้ยิ่งได้นะยิ่งอุทอิศส่วนกุศลให้ใครเราก็ยิ่งได้นะเนีเห็นได้ว่าการทำบุญนี่ทำได้หลายอย่างนะการอ่อนนอนถ่อมตนก็เป็นบุญแล้วเราก็สามารถที่จะทำบุญแบบนี้ได้ตลอดเวลานะไม่จาเป็นว่าจะต้องไป ทำบุญอย่างนี้ในเวลาติดต่อหน่วยงานราชการนะเวลาเข้าแถวนะเวลาเข้าแถวเขามีคิวยาวถึงแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่นะเราจะเป็นข้าราชการเราจะเป็นคนร่ำคนรวยเราก็ต่อแถวเหมือนคนอื่นเขานะอันนี้ก็เรียกว่าทําแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอับปางยนต์น้ำใหม่นะ มันก็ทายากนะเพราะว่าหลายคนนี่อยากจะใช้สิทธิพิเศษนะถือว่าฉันนี่เป็นผู้ใหญ่นะฉันเป็นหัวหน้านะขอแซงคิวขอแซงคิวได้ไหมหรือว่าไม่ต้องขอละแซงคิวไปเลยเพราะถือว่าฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันเป็นคนมีอายุนะอันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้ก็ถือว่าไม่สมควรเดี๋ยนี่ก็มี คำพูดนะมีคำพูดว่ามนุษย์ป้ามนุษย์ป้าหรืออาจจะมีมนุษย์ลุงด้วยนะก็คือพวกที่ชอบอ้างสิทธิพิเศษว่าเป็นคนแก่คนชราขอแซงคิวก่อนนะแต่มันไม่ใช่อ้างสิทธิแบบนี้อย่างเดียวนะบางทีก็เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาก็ขอแซงคิวนะเป็นคนรวยก็เอาเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ถูกนะความอ่อนน้อมถ่อมตัวมันก็แซงออกด้วยการที่ขอลบสิทธทิของคนอื่น หรือว่าไม่อวดเ่งนะอันนี้เราก็บำเพ็ญอัปปจยนะใหม่ได้นะในทุกเวลาในทุกสถานเวลามีคนตักเตือนไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ถึงจะตักเตือนเราได้เป็นเด็กเป็นผู้น้อยตักเตือนท้วงติงเราก็ฟังอันนี้ก็เรียกว่ามีอัปปจยนัใหม่นะ เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะอันนี้เป็นบุญที่ทำได้ง่ายแต่บางทีก็กลายเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้คนจำนวนมากก็มักจะยึดติดถือมั่นในสถานภาพนะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่มียศเป็นพันตำรวจเอกมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าสานก็คิดว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ไปตลอด ก็อวดเบ่งในทุกที่นะท่านังที่มันเป็นแค่สมมุติหรือว่าเป็นแค่หน้าที่นะที่หัวหน้าสาวนั้นพูดถูกมากเลยนะว่าผมเป็นใหญ่เฉพาะตอนขึ้นบัลลังก์ลงจากบัลลังก์ผมก็เป็นแค่รัษฎรเต็มขั้นรัษฎรธรรมดาอันนี้แสดงว่าเป็นคนเข้าใจเรื่องหัวโขนว่าโขนหัวโขนนี่มันใส่เฉพาะเวลาแสดงนะเวลาลงจากเวทีก็ถอดทัวโขน ตำแหน่งหัวหน้าสารตำแหน่งผู้กำกับพวกนี้นี่มันเป็นหัวโขนะพวกเราเป็นข้าราชการก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นหัวโขนอะไรเป็นของจริงนะถึงเวลาก็ลงนะถึงเวลากลับมาเป็นรัษดรเต็มขั้นก็ก็เหมือนคนอื่นเขานะปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความเท่าเทียมกันหรือว่านับถือเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนะแต่ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่นะ อันนี้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งได้เหมือนกันล้าก็เตรียมรับพร